มีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูน ะ, ะก็ดูมันคลิปธรรมดาธรรมดานะผู้ชายคนหนึ่งกำลังรีดผ้านะนั่งอยู่บนพื้นแล้วก็รีดผ้าไปขณะที่รีดผ้าก็ร้องเพลงไปด้วยนะดูมีความสุขข้างๆตัวบนพื้นนี่ก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่วางไว้อยู่ รีดผ้าไปได้สักพักนะก็วางาเครื่องรีดผ้าเอาไว้ข้างๆแล้วก็กำลังจะจัดกำลังจะพลิกเสื้อผ้าอยู่ที่ที่รีดอยู่นะก็บังเอิญนะมีเสียงโทรศัพท์ดังบอกว่าแทนที่แกจะคว้าโทรศัพท์แกไปคว้า ให้เตารีดผ้านะมาประกบกับหูนะมันก็ลวกหูลองจากเลยนะ mm. แล้วพอโทรศัพท์ดังอีกครั้งนะอ้าวคราวนี้ก็น้คว้าโทรศัพท์มาแนบกับหูแต่หูมันพองซะแล้วพอมาเอามาแนบกับหูก็ปวดอีกก็ร้องอีกนะ mm. อ่าคลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นคลิปถ่ายจริงหรือว่าแสดงนะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ถ่ายจริงหรือสแสดงก็เตือนใจได้ดีนะเรื่องความลืมตัวนะโดยเฉพาะคนยุคนี้นี่คุ้นเคยกับโทรศัพท์มากนะโทรศัพท์นี่มันกลายเหมือนกับเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งไปแล้วและพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ สิ่งปฏิกิริยาแรกของคนเราคือนะรีบไปรับโทรศัพท์แต่ว่าไอ้ความเผลอเลยนะก็ทำให้แทนที่จะหยิบโทรศัพท์ไปหยิบไอ้เตารีดแทนก็ได้อันนี้ก็เป็นความเผลอเลยนะที่เราต้องระวังนะไอ้เรื่องแบบนี้นี่มันก็เคยมีคล้ายๆกันนะใน สมัยพุทธกาลมีสามเณนรนคนหนึ่งนะมาอยู่กับหลวงพ่อซึ่งเป็นลุงแล้วก็วันหนึง่งตอนที่กลับไปบ้านแวะไปบ้านนี่ที่บ้านก็ให้ให้ผ้ามาผืนหนึ่งเพื่อถวายกับหลวงลุงนะสมัยก่อนที่ผ้านี่หายยากเมื่อกลับมานะก็ดีใจนะ ยินดีที่จะถวายผ้าให้กับหลวงลุงแต่หลวงลุงท่านไม่รับเพราะว่าท่านมีเยอะแล้วอยากจะให้หลานซึ่งเป็นเนนเนี่ยได้ใช้ผ้านั้นแทนแต่ว่าหลานก็เสียใจน้อยใจว่าหลวงลุงนะไม่รับผ้าของตัวไอ้ความเสียใจน้อยใจนี้ก็ครอบงาใจก็คิดอยู่นั่นแหละนะ เรื่องก็เกิดขึ้นตอนเช้าตอนบ่ายตัวเองก็ทำหน้าทีา่ได้รับมอบหมายให้ให้ถวายนะเรียกว่าถวายพัดนะก็คือว่าเอาพัดโบกนี่แหละนะพัดให้กับลุงมันร้อนนะเอาพัดโบกเรียกว่าถวายงานนะระหว่างที่พัดไปก็นึกถึงเรื่องเมื่อเช้าว่า ลุงลุงนะไม่ไม่สนใจนะไม่เห็นคุณค่าของผ้าที่เราถวายก็เลยคิดว่าอย่างนี้ศึกดีกว่านะอยู่ไปทำไมมีนะแล้วสึกเรียกไปทำอะไรนะสึกก็จะกลับบ้านกลับบ้านก็จะไปทำไร่ทำนาก็คิดต่อไปนะว่าจะปลูกอะไรนะ จะทำไล่อะไรดีนะแล้วได้เงินมาก็จะสะสมเงินเอาไว้เพื่อที่จะได้แต่งงานนะเลือกเลยนะว่าคิดไปต่อนะว่าจะไปหาผู้หญิงจากที่ไหนนะแล้วพอเลือกได้แล้วนะก็จะแต่งกับเขา แล้วก็จะช่วยกันทามาหากินจะเก็บพร้อมรอมด้วยสักพักนะเพื่อจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วพอลูกออกมานะพอได้พอมีลูกแล้วก็จะเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะสอนให้เขามีธรรมะแล้วพอโตสักพักประมาณสักสี่ขวบห้าขวบนะ ก็จะพาลูกเนี่ยไปหาหลวงลุงนะไปกราบหลวงลุ ง, ลงถึงตอนนั้นก็คงจะมีเงินนะซื้อเกวียนแล้วก็มีวัวมีควายเทียมเกวียนแ ล, ล้วล่ะจะนั่งเกวียนไปหาหลวงลุงกัน ท, ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะแต่เนื่องจากเกวียนเนี่ยนะมันกระแทกนะทางไม่ค่อยทางมันไม่ค่อยจะราบเรียบเท่าไหร่ครูคราเพราะฉะนั้นเนี่ย ก, ก็จะก็จะกาชับนะ เมียเ น, นี่ยให้ให้ดูแลลูกดีๆนะกอดเอาไว้แน่นๆแต่เมีย น, นี่ก็ไม่ค่อยสนใจประมาทเกินไปไม่ได้กอดลูกเออไม่ได้กอดลูกเอาไว้ให้ลูกนั่งเฉยๆแล้วปรากฏว่าเกวียนมันก็ไปตกหลุมเข้ากระแทก เด็กก็เลยตกลงจักเวียนอันนี้ก็โกรธสินะก็เลยฟาดเมียเลยนะเพราะว่าสอนแล้วแนะนําแล้วไม่ไม่ทำํำบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจินตนาการนะไอตอนที่โมโหฟาดเมียไปเนี่ยก็พอปรากฏว่าก็เผลอเอาพัดเนี่ยแหละนะฟาดใส่หัว ของลุงไปเลยนะลุงก็เลยตกใจเกิดอะไรขึ้นนะสามเสนนี่พอรู้ตัวเขาตกใจนะโอ้ยทำอะไรเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฝันไปแท้ๆนะฝันปรุงแต่งไปยืดยาวนะแล้วมันก็ลืมตัวนะฝันเป็นจริงเป็นจังมากนะพอจะตบเมียก็ลืมตัวไปว่ากาลังถือพัดอยู่นะกาลังถือพัด นะโบกให้กับหลวงลุงนะก็ฟาดไปเต็มเต็มที่เลยนะอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะนะําพองคนรอพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปเรียกว่าทําผิดผิดถูกถูกไอการทําผิดถูกถูกนั่นกะ็เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะนะไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ว่า ท, าทําอะไรลงไป ที่ลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าไปในความคิดมันเข้าไปในความคิดแล้วก็ฝันอยู่ในโลกของความคิดแยกไม่ออกระหว่างความฝันกับความจริงหรือว่าหนักกว่านั้นคือว่ามองไม่เห็นความจริงนะจมอยู่ในโลกความฝันนะวพวกเราอาจจะเคยเป็นอย่างนี้กันนะอยู่ในความคิดนะแล้วก็ไม่รู้ตัว ทำอะไรผิดๆถูกๆนะต่อไปก็คงจะมีแบบนี้มากขึ้นนะประเภทว่าไปรับโทรศัพท์แล้วอยากจะรับโทรศัพท์แต่ก็ว่าไปหยิบเอาเตารีดมาท่าปูแทนนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันหรือเพราะว่ารีดจับเตารีดจนชินนะมันพอรีดไปสักพังมันจะคุ้นมือพอคุ้นมือซักปรับเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะหยิบโทรศัพท์ก็กลับไปหยิบเตารีดนะ อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจทนะุกคนเราเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะจะต้องหยุดสักพักนะเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ปุ๊บนี่รีบวิ่งเข้าไปหาเลยะที่หมู่บ้านพรมนี่เขามีธรรมเนียมนะว่าถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่ทุกคนในในสำนักก็จะต้องหยุดตามลมหายใจประมาณสักเสียงโทรศัพท์ดังสักสามครั้งนะถึงค่อยไปรับนะ แม้แต่เวลาอยู่ในบ้านนะก็ไม่ต้องรีบรับทําทีนะให้มันดังสักสามครั้งก่อนแล้วค่อยไปรับระหว่างที่รับก็เดินอย่างมีสติอันนี้ก็ช่วยทําให้เวลาพูดคุยกับคนปลายสายก็มีสติไปด้วยไม่ใช่พอมีเสียงโทรศัพท์ปุป๊บก็รีบพุ่งเข้าไปหาเลยเท่านั้นที่ตอนนั้นอาจจะกําลังประชุมอยู่ตอนนั้นกำลังคุยกับลูกอยู่ตอนนั้นกำลังกินข้าวอยู่ เรามักจะให้ความสําคัญกับโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์มากจนลืมสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันบางคนกําลังรีบนะรีบเข้ารีบขึ้นรถไฟหรือว่ารีบขึ้นเครื่องบินให้รีบขึ้นเครื่องบินยังไม่เท่าไหร่นะแต่รถไฟนี่เลยกำลังจะรีบขึ้นเครื่องรถไฟประกอบว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังก็ไปหยิบโทรศัพท์มาคุยโดยที่ไม่สนใจว่าไอ้รถไฟมันจะออกไปแล้วนะนี่ต้องมีสตินะรับโทรศัพท์ ถ้าไม่มีสติรับโทรศัพท์ก็อาจจะลงเออเหมือนกับผู้ชายคนที่ว่านะมันรีบทำโดยปฏิกิริยาเกินไปมันกลายเป็นหยิบเตาเรีบมาท่าผู้แทนอาแล้วก็เตรียมรับพร